ปฏิบัติปราบโทสะถ้าเราปฏิบัติเพื่อจะปราบโทสะกันจริงเมื่อมันโกรธปล่อยให้โกรธไปจนสุดเวียงจุดที่สำคัญคือตอนที่จะพูดอะไรไม่ดีออกไปนี่แหละจุดสำคัญเมื่อมันโกรธแล้วให้มันขังอยู่ในใจเออมันอยากจะโชคต่อยกอดอกเข้าไว้อยากจะพูดก็หุบ ป, ปากเอาไว้อดลูกเดียว พระพุทธเจ้าเทศธรรมะ45ปีได้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ในเมื่อมาสรุปลงสุดท้ายประโยคแรกขันติปรมังตโปตีติดขาขันติความอดกลั้นความทนทานเป็นตบะธรรมคือความเพียรเผาบาปอย่างยิ่งรวมอยู่ในขันติสีทนนชัยกับพระยาแข่งปัญญากัน ไอส้สีมึงรู้พระไตรปิฎกไหมรู้พระยาค่ะอ้าวถ้างั้นเทศให้กูฟังธรรมะเป็นของสูงจะให้เทศต้องจัดธรรมะมขึ้นก่อนพระยาก็ให้จัดธรรมะมขึ้นพอขึ้นไปบนธรรมะมอา้าวมึงเทศก่อนจะฟังเทศก็ต้องกราบต้องไหว้พระธรรมก่อนมันเล่นเอาพระยากราบมันจนได้พอพระยากราบเสร็จอา้าวมึงเทศกูกราบเสร็จแล้ว มันก็ว่าขึ้นมาคําเดียวอดอดอดอดอดอดอดเอวังก็มีด้วยประการละชั้นนี้เนี่ยเหรอพระไตปิดกก็เนี่ยแหละพระไตปิดกทํำไมอดไม่ทนมันจะเรียนพระไตปิดกจบเหรอมันว่า